คือความซึ้งในการให้ทานทุอผมที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ประจักษ์กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนะึ่งเกิดจากการนักาษาสีควาซึ้งประเภทหนะึ่งที่เกิดจากการทำความดีทั้งหลายก็ซึ้งซึ่งไปแต่และประเภทนี้เรียกว่าสุนทรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมกันที่ซึ้งทั้งหลายก็คือคิดถึงภาวนา เริ่มมีความรู้สึกทราบซึ้งไปตั้งแต่จิตนี้เริ่มมีความสงบจิตใจเรียนกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแน่จะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่เรวงเข้ามาก็ตามแต่ก็เริ่มแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นธาตถ้าจิต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 และยังจะมีความต้องการกันตลอดไปึนกระทั่งโลกนี้หมดความหมายรร้ความรู้สึกดีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะมกุกปารถนาคาว่าธรรมหรือคาว่ า, วาความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงก่า ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งมันอื่นแม่จะเป็นอนารมาทมค่าคืนกับธรรมก็าเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นด้านมาตัตถุโลกมนุษย์จะต้องนักถือ ศาสนาเพื่อทำดุลนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่จิตเกิดขึ้นทุกจิจจิตเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉพาะจิตเท่านั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมีเป็นเป็นสิ่งหนึ่งคือเป็นเป็นความขัดข้องอันหน่นาแห่งธรรมที่นำออกกังวัตถุต่างๆไม่ได้ ยิ่งทำให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจริย์ก็ไม่ทราบว่าความอัศจริย์นั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความทราบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความทราบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรยิจรย์เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหูก็ไม่เคยได้รับความอัศจริย์จากกระแสแห่งธรรม เพราะทำกระแดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นีเป็นอุปสรรคที่จะทำให้คนเกิดความทราบซึ่งนี่ยทำไม่ได้เกิดความช่วถือในี่ยทำไม่ได้ไม่ว่าพระพุธทธเจ้าองค์ใดที่เดินมาตรัสรู้ในโลกและสอนทำแก่โลก ทุกะองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดอ่านเราสิ่งเหล่า น, นี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้เราไปมองเห็นธรรมซึ่งเป็นกองอริยจ้เพราะเอาออกตั้งวิโชว์ในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจเน้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วนให้ดูดงมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนที่ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนัน้นๆหรือขั้นนั้นๆและ ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประสบ์้วยอาจารย์ตามขั้นตามภูมิหน่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอาจารย์อันสูงสุดได้แต่วิมุตความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกทุกภูมิจำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอา นำความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสยุ่ยด้วยอากัปกิริยาต่างๆเช่นการแสดงและแสดงอากัปกิริยาของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละองค์นั้นหรือพระอราหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังทิกอาอัศจรรย์ ดังกลา่าวไม่มีองค์ในมีความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทุกพระพองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งธรรมอริยนิโรธนี้คืออัจฉรย์อยู่ที่จิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัจฉรย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างไอมณฑลแห่งความอัจฉรยะนี้เท่านั้น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 แล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลําดับลําดับนั่นชือว่าอะไสัมผัสทำแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายใจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความฉลาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั้นก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่อย่างสมควรจะเป็นไปได้แกวลงมนุษย์เท่านั้น อยอื่นไม่สามารถที่จะนําออกได้เป็นความอัศจรรย์ในพรไทยจริงๆที่จะนําออกมาพิคลายให้สารโลกได้เห็นวันนี้ความอัศจรรย์ของตถาคตของพระพุทธเจา้าแต่ละองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทําไม่ได้นี่ความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่อนที่เล็ดครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมุลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทิ์ทุบฟองหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อัศาจารัน์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่าไปเลยท่านทําอย่างนี้ไม่ได้จึงได้สอนอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องราวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดง่ายๆนําออกมาพูดนี่ก็เป็นลมปา่างแล้วเดีความจริง อ, ออกมาไม่ได้จนอัศาจารยันตินี่ ธรรมชาติอัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนาออกมาจากทเรียาว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดได้หมายเอ่ว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มหาสงสัสยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมคือเป็นกองอาจา ร, รย์เหล่านี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแหล่ เป็นความถูกต้องแต่เพปฏิบัติดำเนินตามระยะลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปีกและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุดหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่มีดังนันการยากหรือการลำบากใดๆก็ตามเราอยาถือมาเป็นทุกขสัจในการดำเนิน คือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกลําบากก็ต้องผุเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทําจะต้องแบกต้องหามในขณะที่ทํางานนั่นแหละคําว่าทําเป็นธรรมทวารจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตถ้าเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่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 เส้นเดียวพักเราอยู่บนอวกาศซะจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบก่ะถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนผืนแผ่นดินนี้ตะวันออกตะวันตกนะเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเทียงยี่พอพูดได้ว่าทิศใดทางใดเป็นทิศของอันไหนทิศเหนือทิศใต้สูงต่ำมันสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้ และสูงจากนี้ไปทางลายต่ําไปเท่าไหร่เหนือไปทลายใต้เทา่าไหร่ตอนนี้ออกกัออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าหากว่าอยู่บน อ, อกากาศจริงๆไม่มีอะไรพาดทืนพอจะวัดเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยเมือนอย่างเราบินที่มันบินไปบนอากาศหรือไม่ทราบมันข่ามันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนเมืเแล้วก็ทราบว่ามันเร็วสายตาของเรานี่ รถบินมันสู้รถโดนไม่ได้สายการ้าปังพวกเราเนี่ยรถโวนมันวิ่งตามถนนนี่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรถโวนมันวิ่งไปข้างหน้าเป็นรถต้นไม้สองภาคทางมันล้มขึ้นข้างหลังล้มย้อนหลังไปเป็นลันาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่แต่เพาะมันเป็นเพียงว่ารถโวนมันผ่านไปมันมีแต่สิ่งที่สัมผัสพลาดพลาดถึงแล้วก็เหมือนว่ารถมันเร็วมันช้า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 สิ่งที่จะของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้น น, นี่เป็นไนปะเหมือนรถยนมันยิ่งเร็วกว่ า, วารบินนั่นเองการปฏิบัติ จ, จิตใจเป็นสิ่งสงคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผัวพันในจิตใ จ, จ มากเรื่องของใจนั้นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองลิกขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วเราก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเดือดร้อนมึนมาเกิดความเสียใจเพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินเพราะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นี้ความจริงสิ่งนั้นๆั่นเขาก็เป็นมีูตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นมาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี่เมืองมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดๆทุกขังอยายะจัจังก็มีตัวกายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะ มนุษย์ตลาดมมุษยายาดีสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มักคทุกประชิษกาบปฏิบัติเพื่อแก้ที่เหลือตัทหาสะวะมนุษย์ก็ทราบมรรคคืออะไรสิ่งสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วนี้รอ ค, ความดับทุกมนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจิงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลาย เราเกิดในท่ามกลางแห่งภพแห่งชาแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามจุดทุนการของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของศาสนาธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราธรรมอันประสริฐก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึง เป็นผู้เอื้อมจี่เป็นผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายจะอยู่สูงต่ำนะขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จะรับทราบหูช ท, ทั่วทุกทุกต่างๆ่งจิตใจเป็นผู้รับทราบก่อนอื่นึงควรฝึสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งมันหนึ่ง ถ้าหากว่าเราได้พิจร า, ารณาบ่อเกิดแหนงทุกข์คือสมุทยัยได้จากความคิดต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาอีกเวลาถอยเลยขึ้นถึงหวัวใจนี่แหละตุงแต่งอยู่ที่นี่ิดดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุไหไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองอคื อ, อตลอดเวลา คิดออกไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยอย่างไรโอยทุกข์เข้ามาตัวเองดูอย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุ ท, ทยัยออกออกไปเป็นสมุ ท, ทยัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตุงออกไปนะเป็นสมุ ท, ทยัยเวลาผมด้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกข์นะั่นผิดอยู่างั้นตลอดเวลาเราจะทําให้มีความสงบเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นต้องฝึกกันเติมที่ แม้เช่นนั้นมันต้องผักดันออกคิดออกตรวมกันได้ขณะที่เราเถอนะนี่แหละเรื่องของทสมุ ท, มทยที่จะที่ผลิกทุกอย่างโดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ใจมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้การแก้ไขทัสมุทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูและงับดับมันที่ตรงนี้ นั่งอยู่ที่ไหนเดินไหนอินทรีในแย่บทั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทำหนึ่งแต่ข้ออย่างยิ่งถึงนักบวชผู้ปฏิบัติเอากระแนปลาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือหารสถานที่อันเหมาะสมในการบังเพล่แต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลําดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยเป็นเสี่ยนหนามต่อจิตใจ มันมันรงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้เราจะเห็นแน่ชัดในขณาดที่จิตสงบตัวลงไปความทุกตรุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณาดที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่อความตุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วย ทกุก็สมกตัวไปด้วยเหรือแต่ความเย็นสบาย น, นี่แหละสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพมิด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียวต่อสู้กับสงครามที่มันก่อควรมีเสมอภายจในจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแห่งความคิดปุงทั้งหลาย ที่มันก่อควรอยู่เสมอเสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยกับเป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกำลังแห่งความสงบนตยาร า, ท, า, ท, าท่านท่ิชื่อว่าสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิรตรวมรวมเป็นสมาธิ นี่คือสมาธ่อันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อองสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจโธกจะทําให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ผลกผู้ทํำเองสมาธิมีความสงบแใจก็มีความร่มเย็นเป็นตุกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตเนี่ยหนามันคงไม่คว่ำบกแหลความแพน่น เหมือนเราได้อยู่ในต้มไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบอยู่ภายในตนก็เช่นนั้นไอ้ทา่านใดกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยิ่งอยู่ิ่งวายอยู่ไม่ขาดว่าขาดต่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจฐานเรียกว่าสัมมาธิฏฐเป็นสูนย เนเรือนต่ อ, อนหนึปัญญาคาือความแยกภายความคิดความพินิจพิจารณาสอบสอบใงเหตุั้นผลทั้งข้างนอกของ้งในเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางภายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในแง่ใดก็ดติปัญญาตามพินิจพิจารณาให้รู้เหุรู้ผลตามความคิดของตปรุงของใจที่ตามสภาพสังขารที่มีอยู่ในตัวของเรา เห็นตามเป็นจริงจะไปปีงเกรียวกับความจริงการพิจนารณาทำทั้งหลายพิจนารณาตามความจริงไม่ใช่จะฝืนความจริ ง, งเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มันเป็นลำดับเป็นราอายุกี่ปีก็แก่มาแล้วทั้งปิดนะตัวรทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตมันแก่เปนที่แล้วมันก็สลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขนาแรกที่เกิดนั่นะ แต่วันแฉะเดือนแฉะปีมาแล้วก็แฉะมาหลายๆปีแฉะมาเรื่อยๆร่างว่าคนเจริญเติบโตมันแฉกจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่นี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเขามันแฉ่แล้วก็ไม่อยากจะแฉะจากหนุ่มอยู่เสมอจากสาวอยู่เสมอชื่อว่าฟื้นความจรมันเป็นทุกข์ฝื้นมันก็ไม่ได้เรื่อง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 เพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลักธรรมช า, าติท่องมาพิจารณาตามความกินของมาอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็ให้รู้ตามความกินท่องมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่ง ถ, งถึงที่สุดแห่งทุกก็คือความตายในธาตุขันธ์นี้ที่สุดมันมีทั้งนั้นก็ให้ทราบตามความจยู่ทองมาโดยไม่ต้องไปฝืนและต้องไปตั้งคำอยากขึ้นเพราะตั้งคําอยากก็คือความบกพร่องหรือความหิวโหยนั่นเองความหิวโหยไม่ว่าจะเกิด ขึ้นเวลาไหนเวลาใดเพื่ออาการใดเช่นหิวนอนมันก็เป็นทุกหิวข้าวก็เป็นทุกนี่ที่เดียหิวน้ำก็เป็นทุกมันเป็นคองหดีเมื่อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันร้วงตั้งแต่เรื่องก่อปวนต้องให้ปวดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฟื้นปัญญาให้พิจารณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาไม่ปีนเตือ ก, กันกับความิีมันก็สบาย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 เรียนรอบตกเรื่องความความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจ็บความทุกข์ความปรมานทั้งหดของตัวเองเรียนตกความตางตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีรอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี้แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหว เนี่ยเรียกทาไปหนย่างนี้นจึงเรียกวรู้จริงเรียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ไม่ฉลาดเพียงจําได้เฉยเฉยฉลาดด้วยแยกความสงสยัยแยกความขัดข้องตงด้วยแยกความยึด ม, มั่นถือมั่นสําคัญปิดทองตนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติมล้วนด้วยการน้องก็สมายขันให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่งิงอํานาจไปกดขี่บงังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้อย่าไปบงังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวเอของเขาอีกก็พิจารณาตัวเอง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 อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจงมุกเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้ น, นผ่านหลังขันหรือยิจารณะผีหวานขันอ้าอะไรขันสิ่งอันมันเป็นอาการอหนึ่ ง, งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันนึ่งสติเป็นอาการอันนเป็นเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้แก้สิ่งที่โมหมองถ้าล้างสิ่งที่โมหมองออกไป จระทั่งเกิดความโปร่งใสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของปัญญาเป็นภูชารางชอนไสต์เลยโปร่งใสงไปแล้วกับบริสุทธิ์น่ะหต่ลายจริงบริสุทธิ์ก็เพราะมลพิ น, พนหมดประจากใจค ว, ความต้องการต่างๆที่เป็น เ, เรื่องอกิเลสมันหมดประจากใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั่นเองชื่อว่าเรียนเรื่องขีงตัวจกบอุตตางปรรมาจารย์ยังกระตังกรณีย่างนี่ตรงกับทรรบทนี้ เสร็จปิดใศาสนาพุทธมันจานนี้จบแล้วไอ้ที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ทำไปห็จแล้วแหละการรู้ทีน่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี่เราเรียนแล้วเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองการรู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึงว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีก มันไม่มีหลงแล้วนี่มันมีแต่รู้รู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี่แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรรย์หมายถึงจิตถึงธรรมอยงนีน้แต่เป็นสิ่งที่ ท, ทราบอยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นดยูโดยเฉพาะตัวเองอัศจรรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเอง กระเยก็สราบอยู่ภายในจิตแต่ไม่สามารถที่จะนําออกคลี่คลายนี้ออกโชว์ตามนัม้อนอย่างสิ่งต่างๆได้ดนั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ ต, ตปรฤตปฏิบัติกําจัดสิ่งที่สกขโขกโสมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริญนังที่กล่าวนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเอง เกิดกันที่จอันนี้เรียกว่าเรียนธรรมจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขัน น, นั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือทรรขั้นไหนก็ว่าอะไรตจนกระทั่งตรงนี้มุติธรรมจบด้วยการทำงา น, นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัย ไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยต่อกันวันนี้นก็อยู่ไปเธอถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็รงับดับหมดสงครามระหว่างศิษย์กับพี่เล่เรื่องระหว่างทำกับพี่เล่ห์มัก็สิ้นสุดกันไปแนะ้วรู้พบรู้ทัดรู้กันที่นี่รอ้กองทุกในวัฏสงสารคือกลายเป็นเป็นนักของเถี่ยวในวัฏสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่ น, น, นี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่ โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรตุนปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองัหลงสิ่งทั้งหลายเมื่อแกตัวเองก็เกี่ยวข้องกับสิ่งหลายลงโดยสิ้นเชงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันเท่านั้นเท่านั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่านนี่เรียนทำจบเรียนหนังนรียโลกเรียนธาตุขันจบก็จบตรงที่นี้การพยายามทํา ให้เห็นคอามอาจารย์ดังที่กล่าวแล้วในดวงตกลพระพุทธเจ้าก็ดพีพระสงฆ์สาวกอรท่านมีธรรมอมัจฉริยะอยู่ภายในพระไทยไทย ใ, ใจเราก็พิมุขสิทธาคตมีขีดอันหนึ่งที่จะสามารถสแสดงความอัจฉรยะออกได้ด้วยการปฏิบัติชำนะปภาษาให้บริสุทเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าภาษาพวกทงหลายจึงกตัญญูให้พยายามทําให้มันปอกอดใสให้สงบ ความปรพยชน์ก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองความหาพยศก็คือความสงบสงบแล้วปลาสุกถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นไปหเย็นที่ใจนี่แหละทำให้ใ จ, จยเย็นร้อนก็คือใจร้อนไปเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจ น, น, น, นี้ละยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟพิเรศ น, นาสะะักว่าที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้้มันเด๋วแต่ธรรมชาติ ทำแทนแล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลวเวลาอาุตสิตรงเพียงแค่นี้เทาล้